หัวข้อประจำวาระอาบัติกองอาบัติวินีตะวัตถุและอาบัติกองอาบัติวินีตะวัตถุอีกอย่างละเจ็ดความไม่เคารพความเคารพวินีตะวัตถุอีกเจ็ดวิบัติสมุดฐานแห่งอาบัติมูลแห่งการวิวาทและการโจ์สารานิยธรรมสังคเภท อธิกรและสมถะเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วรวมเป็นสิบเจ็ดบท